m mm -hmm. ตอนนี้ก็กาลังจะเช้าแล้วนะนกก็ส่งเสียงนะร้องเพลงเป็นสัญญาณว่ากาลังจะออกหากินธรรมชาติก็เริ่มทำหน้าที่ของตัวแล้วนะพวกเรานะเนีย่ยสมนักงานสื่อกรจาินีก็ทำหน้าที่ของเราเช่นเดียวกันหน้าที่ของเราตอนนี้ก็คือฟังธรรมเพื่อการศึกษา เพื่อการพัฒนาตนอันนี้เป็นหน้าที่ของมนุษย์ทุกคนก็ตั้งใจฟังนะมันมีเกาะอยู่เกาะหนึ่งนะเกาะ น, นี้เนี่ยมีชื่อเสียงมากนะคนที่เรียนวิทยาศาสตร์นี่จะรู้จกกักเกาะนี้ดีเป็นเกาะที่อยู่ทางทวีปอเมริกาใต้อยู่ห่างจากชายฝั่งไกลามากนะไม่มีคนเนี่ยเคยไปเกาะ น, นี้เลย เป็นเวลาหมื่นเป็นเวลาแสนปีเพรฉะนั้นสัตว์ในเกาะ น, นี้เนี่ยก็เลยไม่รู้จักคนเนกาะ น, นี้ชื่อเกาะกลาปะกอสมีชื่อเพราะว่าชาวดาวินเนี่ยพวกเรารู้จักชาวดาวินใช่ไหมก็เป็นคนที่ค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการว่าคนกับลิงเนี่ยมีบรรพบุรุษเดียวกันคนไม่ได้มาจากลิงนะ เขาไม่ได้บอกคนมาจากลิงเขาบอกค น, ก, บบนกับลิงเนี่ยมีบรรพบุรุษเดียวกันนะมีร่างเงาเดียวกันพูดง่ายงาย200สองรอยปีก่อนเนี่ยไอชาดดาวินนี่เขาก็ไปที่เกาะ น, นี้แหละเป็นครั้งแรกที่เกาะ น, นี้ได้มีมนุษย์ไปย่างเหยียบแล้วก็มีเขาก็แปลกใจมากมีสัตว์เยอะแยะไปหมดเลยทั้งเตา่าทั้งนกตัวใหญ่ๆ รูปร่างก็หน้าตาแปลกๆ แ, แต่ว่ามีนิสัยคล้ายๆกันคือไม่กลัวคนนะนกเนี่ยนะถ้าหากว่าในบ้านเราเนี่ยนกเนี่ยมันเจอคนเนี่ยมันก็หนีแต่นกที่กระปะกอสนี่มันไม่หนีนะคนเดินเข้าไปใกล้ๆ ก, ก็ได้จับคอขย่วก็ได้นะถ้าเป็นนกตัวใหญ่ๆแม้แต่ หมาป่านี่หมาป่านี่มันธรรมชาติของมันเนี่ยที่เรารู้จักเนี่ยมันระแวงระแวงคนมากแค่ได้กลิ่นนี่มันก็ไม่อยากเข้าใกล้แล้วแต่ว่าหมาป่านีนกระปรกอ๊อนนี่คนนี่เข้าไปใกล้ๆได้อนะมีบางคนที่อ้อมไปข้างหลังนะมันก็ไม่สนใจนะมันก็ให้เข้าใกล้แต่แล้วเขาก็เอา เอาคอนเนี่ยทุกหัวมันตายมันตายง่ายมากเลยนะมันยอมให้คนนี่เข้าใกล้แล้วก็เอาคอทุกหัวนกก็เหมือนกัน <c oughs> ก็เรียกว่าคนนี่จับหรือฆ่าสัตว์ในเกาะ น, นี้ได้สบายมากนะอันนี้ก็เป็นเพราะอะไรนะเพราะว่ามันไม่เคยเจอคน มันไม่รู้ว่าคนนี้มีอันตรายกับมันยังไงบ้างอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลนะว่าทำไมเนี่ยเขาเคยมีความสงสัยว่าทำไมสัตว์ใหญ่ในทวีปอเมริกาเหนืออเมริกาใต้เนี่ยสัตว์ใหญ่ๆเนี่ยจึงสูญพันเร็วนะสูญพันเร็วมากเมื่อไม่เกินเมื่อไม่เมื่อซักไม่กี่ร้อยกี่พันปีมา น, นี้แหละ ขณะที่สัตว์ใหญ่ๆในทวีอฟริกานี่มันยังอยู่เลยนะเช่นช้างเสือฮิปโป อ, อันนี้นักวิยาศาก็สงสัยนะทำไมสัตว์ใหญ่ๆนะมันสูญพันเร็วนะในที่อเมริกานออเมริกาใต้แล้วพบว่าเขาก็พบว่าเป็นเพราะว่า เวีบนี้เนี่ยมันไม่ค่อยมีคนมาอยู่มันไม่เคยมีคนมาอยู่เลยนะจกนกระทั่งเมื่อ2 2หมื่นปีที่แล้วนะนะพวกเราคงรู้นะว่าคนเนี่ยอพยพไปทุยอเมริกาเหนืออเมริกาใต้เนี่ยไม่เกิน2หมื่นปีมาเนี้นะทุยเหล่านี้เนี่ยสันนี่มันไม่เคยเจอคนเพราะมันเจอคนมันก็ยอมไม่เข้าใกล้ก็เลยโดนคนนิล่าจนศูนย์พันไปเลย แต่ว่าในทวีเอเชียนี่แอฟริกานี่สัตว์เนี่ยมันอยู่กับคนมาต้องนานแล้วนะเป็นล้านปีนะแล้วมันก็รู้ว่าคนนี้น่ากลัวนะช้างก็ดีเสือก็ดีกวางก็ดีนี่มันไม่ยอมให้คนเข้าใกล้นะมันระแวงมันก็แปลงนะมันอยู่กับคนมาเป็นล้านปีแทนที่มันจะสูญพันธุ์เร็วนะมันกลับสูญพันธุ์ช้านะ ไอสัตว์ที่มันเพิ่งไม่เคยมันไม่เคยเจอคนมาเลยจนกระทั่งเมื่อสองหมืนปีวะเนี่ยมันสูญพันเร็วเพราะมันมันไม่รู้คนนี่เป็นอันตรายนะตรงข้ามกับสัตว์ในแอฟริกาเอเชียมันอยู่คนมานานเจอคนเจอแล้วเจอเล้วเจอรูวโอ้สัตว์นี่ไอคนนี่น่ากลัวนะมันก็เลยอยู่ห่างนี้ห่างแค่ได้กลิ่นนี่ก็หนีแล้วนะ สัตว์นี่มันมีคนเนี่ยเป็นนะเป็นศัตรูก็ว่าได้นะเป็นอันตรายส่วนคนเนี่ยนะมีอะไรเป็นศัตรูนะศัตรูนั่คือเชื้อโรคนะคนเราเนี่ยถ้าไม่เคยเจอเชื้อโรคเลยนี่อันนี้อันตรายนะสมัยที่โคลัมบัสเนี่ยเราจะโคลัมบัสเนี่ย เขาเดินทางไปอเมริกาใต้เมื่อห้าร้อยปีที่แล้วเนี่ยก็ข <c oughs> นคนไปด้วยนะพวกคนยุโรปคนยุโรปนี่ไปเจอไปเจอคนพื้นเมืองนะซึ่งอยู่ในที่อเมริกาใต้ก็เป็นหมื่นปีนะคนพื้นเมืองที่นั่นเนี่ยไม่รู้จักไม่รู้จักโรคหวัดนะนะหวัดที่เราเป็นเนี่ยคนที่นั่นไม่รู้จักนะ พอไปเจอหวัดจากคนคนสเปนคนยุโรปเนี่ยไม่ใช่แค่อธรรมดานะไม่ใช่แค่จามนะเป็นหวัดเนี่ยตายเลยนะไอ้วัดที่มันทำให้เราแค่อย่างเมาแค่นอนสมหรือว่า ล, ลาคาญเนี่ยนะคนพื้นเมืองที่นั่นเจอหวัดทีเดียวตายเลยตายเพราะอะไรเพราะไม่เคยเจอหวัด เจอปุ๊บตายทันทีตายเป็นเบื่อเลยนะตายไปเนี่ยเรียกว่าหกสิบเจ็สิเปอร์เซ็นเลยเนี่ยเพราะวัดวัดที่เรากินยาก็หายนี่นะแต่คนพื้นเมืองนี่ตายส่วนคนยุโรปเนี่ยก็ไปเจอเชื้อโรคของคนพื้นเมืองนะโรคอะไรโรคซิฟิลิสคนพื้นเมืองนี่เจอซิฟิลิสนี่ธรรมดาโรคหนองในนะ แต่ว่าพอเจอส่วนคนสเปนยุโรนี่มันไม่เคยเจอโรคซิฟิลิสพอเจอเข้าก็ก็ตายเหมือนกันแถนยังเอามาติดอีกนะกลับมาที่ยุโรกก็เอามาเผยแพร่ให้คนยุโรป ก, ก็ล้มตายกันเยอะเลยนะล้มตายเพราะโรคซิฟิลิสเพราะไม่เคยเจอเชื้อโรคแต่ถ้าได้เจอเชื้อโรคเนี่ยเจอแล้วเจอเล่านี่นะถ้ารอดได้นี่มันดี้ะมีภูมิคุ้มกันอย่างพวกเราเนี่ย เราไม่ตายเพราะโรคหวัดก็เพราะว่าเรามีภูมิคุ้มกันอย่างมากก็แค่นอนสมนะอาจจะปวดหัวตัวร้อนแต่ถ้าหายนะเราจะไม่เป็นโรคหวัดซ้าเดิมนะ <c oughs> เพราะาเรามีภูมิคุ้มกัน <c oughs> เอะบางคนก็สงสัยนะเอ้ทำไมเป็นหวัดแล้วก็เป็นแล้วเป็นอีกเป็นแล้วเป็นอีกเนี่ย <c oughs> ปีนึงบางทีเป็นสองครั้งสามครั้งนี่อันนี้ไม่ใช่หวัดตัวเดิมนะหวัดตัวใหม่มันมันกลายพันธุ์ ถ้าเราเป็นหวัดถ้าเราเป็นหวัดแล้วเนี่ยนะภูมิคุ้มกันมันจําได้มันจําได้มันก็มันก็ระวังแล้วต่อไปถ้ามีวัดตัวเดิมมาอีกนี่มันไม่ยอมแล้วมันก็ภูมิคุ้มกันในร่างกายก็ไปจัดการกับไอเชื้อ ว, วัดตัวนั้นซึ่งเป็นไวรัสนะอันนี้เป็นข้อมูลอันนี้เป็นความรู้พื้นฐานที่เราต้องรู้นะว่าคนเรานี่มีภูมิคุ้มกันและภูมิคุ้มกันเนี่ย มันโง่ครั้งเดียวนะมันโง่ได้ครั้งเดียวหมายเขาว่าถ้าเชื้อโรคเข้ามาเนี่ยมันไม่รู้เพรามันไม่รู้จํา ก, ก็ปล่อยให้เข้ามาพอเชื้อโรคเข้ามาก็เล่นงานร่างกายจนป่วยหรือบางทีถึงตายแต่ถ้าไม่ตายนะมันจะจําได้แล้วและมันก็จะไม่ยอมให้เชื้อโรคเข้ามาอีกหรือถ้าเชื้อโรคเข้ามานี่มันก็จะเข้าไปทําลาย อย่างคนที่เป็นโรคไขทรพิษเนี่ยเป็นครั้งเดียวนะถ้าไม่ตายนะก็จะไม่เป็นอีกมันจะมีโรคหลายชนิดมากเลยนะที่เราเป็นได้ครั้งเดียวหลังจากนั้นเราจะไม่เป็นอีกแล้วพราะจำได้มีภูมิคุ้มกันนะเดี๋ยวนี้เราก็มีวิธีการป้องกันโรคนะด้วยการเติมเชื้อเข้าไปในร่างกายวัคซีนฉีดยานี่แหละนะฉีดยาคือการเติมเชื้อโรคเข้าไปในร่างกายเป็นเชื้อ อ, อ, อ่อน ร่างกายเราพอเจอเชื้อโรคมันก็จะมีพวงคุ้มกันนะเช่นโรคหวัดโรคอหิวาปอดบวมเนี่ยวันโรคเนี่ยนะโรคไอกลนคอตีบเนี่ยเด็กๆอย่างพวกเรานี่โดนฉีดยาไปหลายขนาดนะตอนเด็กๆ เ, เนี่ยเพราะเพื่อเป็นการเติมช่วยเราเข้าไปในร่างกายเชื้อโรคนี้มีประโยชน์นะเชื้อโรคมีประโยชน์เพราะว่าที่เราไม่ตายกันทุกวันนี้เพราะเรา ตอนเด็กๆนี่มีการเติมเชื้อโรคเข้าไปในร่างกายด้วยการฉีดยาฉีดวัคซีนภู <c oughs> มิคุ้มกันร่างกายเรามันก็เจอเชื้อโรคมันก็เลยรู้จักมันจาได้มันก็เลยแข็งแรงเพราะว่ามันได้ต่อสู้กับภูมิุมต่อสู้กับเชื้อโรคมา ก, ก่อนเชื้อโรคมีประโยชน์นะถ้าหากว่ามันมาในจังหวะที่พอเหมาะพอดีมันทําให้ร่างกายเราเข้มแข็งเพราะว่าได้ต่อสู้กับ เชื้อโลกจงกระทั่งฉลาดชำนาญมันมีหลายอย่างในชีวรเรานะที่อาจจะรู้สึกว่ามันไม่ดีนะแต่ว่ามันมีประโยชน์นะเช่นความยากลำบากเนี่ยความยากลำบาก น, าากากนี่ไม่ค่อยมีใครชอบนะแต่มีประโยชน์นะคนเราเนี่ยถ้าเราเจอความยากลำบากเนี่ยเราจะแข็งแรงเราจะแข็งแกรง่งนะ เด็กที่โตเด็กที่โตมาในครอบครัวที่ยากจนนี่นะมักจะเป็นเด็กที่แข็งแรงแล้วก็อดทนรู้จักพึ่งตัวเองนะส่วนเด็กที่โตมาในครอบครัวที่สบายร่ำรวยเนี่ยมักจะเป็นเด็กที่อ่อนแอจิตใจไม่แข็งแกร่งช่วยตัวเองไม่เป็นนะนะแค่จะเดินเนี่ย แค่จะเดินไปปากซอยนี่ก็ไม่อยากเดินแล้วเดินไม่เป็นแล้วต้องนั่งรถนะส่วนคนยากจนอย่างพวกเนี่ยคนชนบทเนี่ยเดินกันเป็นกิโลกิโลสมัยก่อนนะไม่รู้สมัยนี้ยังเดินกันอยู่หรือเปล่านะเพราะเดี๋ยวนี้ไปโรงเรียนก็นั่งรถขี่มอเตอร์ไซค์แล้วนี่ <c oughs> ไอ้ความยากลำบาดนี่มันทำให้เรานี่เข้มแข็งนะทำว่าเรามีภูมิคุ้มกันความทุกข์นะ <c oughs> yeah. เชือโลมเขาเมื่อเข้ามาในร่างกายเราก็จะมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโรคความยากลาบากเมื่อมันเข้ามาในตัวเราหรือเมื่อเราเจอความยากลบากเนี่ยจิตใจเราก็จะสร้างภูมิคุ้มกันทาให้เราเป็นคนอดทนนั่นที่พาพวกเราเนี่ยมาเจอความยากลาบากนี่นะเพื่อมาฝึกให้เราเข้มแข็งนะให้เราจรู้อยากช่วยตัวเองได้เช่นทำอาหารกินเองได้พึ่งตัวเองได้ อันนี้เนี่ยเป็นประโยชน์คนเราเนี่ยต้องไม่ค่อยเห็นประโยชน์ของความยากลาบากนะแต่มันมีคุณค่ามากยกตัวอย่างเช่นความเหนื่อยพอออกกําลังกายเนี่ยออกกำลังกายนี่ไม่เคยมีใครชอบนะเพราะมันเหนื่อยนะแต่ว่ามันทําให้ร่างกายแข็งแรงคนสมัยนี้เนี่ยป่วยง่าย <c oughs> เป็นโรคตายเร็วเพราะว่าร่างกายมันไม่เคยออกกาลังกายนะคือชีวิตมันสุขสบายเกินไป ชีวิตคนสมัยนี้เป็นชีวิตที่อันตรายมากเนะเพราะว่าสบายเกินไปไปโรงเรียนก็ไม่ต้องเดินนะมีรถขึ้นบันไดก็ไม่ขึ้นกันแล้วนะนั่งลิฟต์นะยืนอาศัยลิฟตนะ์เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ใช้แรงเท่าไหรนะ่ตั้งแต่เด็กเลยกลับมาถึงบ้านก็นั่ง อยู่หน้าจอโทรทัศน์นะหรือแม่ก็อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์จะกินเหรอแทนที่จะเดินนะไปซื้อของก็มีคนเอาของกินมาให้บางทีก็พ่อแม่นี่แหละลูกก็นั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์อยากกินอะไรก็ตะโกนเดี๋ยวมีคนใช้เอามาให้พ่อแม่บางทีก็เอามาให้ไม่ต้องเดินนะ ทำนี่เป็นปีๆนี่เป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นเกิดโรคอ้วนนะในนี้อ้วนกันตั้งแต่เล็กแล้วหนึ่งในสามนี่เป็นโรคอ้วนเพอเพอสองในสามแล้วแล้วก็อ้วนไปตลอดนะพอโตขึ้นก็ไม่่อยเดี่ยวกังกายอีกนะนั่งโต๊ะทํางานทํางานก็นั่งโต๊นะนั่งทั้งวันไปทํางานก็นั่งรถ ถึงที่ทํางานก็นั่งโต๊ะเสร็จงานก็นั่งรถกลับมาถึงบ้านก็นั่งอีกดูโทรทัศน์เล่นคอมนะหรือไม่ก็เล่นโทรศัพท์นะจนดึกก็ไปนอนไม่ออกกาลังกายเลยสบายมากอันนี้แหละอันตรายนะตรงข้ามนะคนที่ออกกําลังกายนะออกกําลังกายด้วย ความสมัครใจหรือด้วยความจำยอมก็แล้วแต่เช่นไปไปโรงเรียนก็เดินไปหรือว่าต้องไปคิวน้ําแบกน้ำํำแต่บางคนก็ออกกำลังกายด้วยการจ็อกกิ้งวิ่งขี่จักรยานเหนื่อยแต่ว่าสุขภาพดีโรคอ้อวนก็ไม่มารังควานโรคเบาหวานก็ไม่มารบกวนห่างไกลจากโรคหัวใจห่างไกลจากมะเร็ง อย่างนี้อยู่ได้ยาวแห้ความยากลำบากนี่มีประโยชน์เราต้องรู้จักหาต้องเข้าไปเข้าเดินเข้าเดินเข้าหาความยากลำบากมัง่งไม่เขาะว่เราเป็นคนอดทนเข้มแข็งผักก็เหมือนกันนะับผักเนี่ยคนไม่ค่อยชอบหรอกรเด็กๆยิ่งแล้วใหญ่ไม่ชอบเพราะมันขมนะมันไม่หวานนะแต่ว่ามันมีประโยชน์ถ้ากินผัก บ่อยๆนะจะขมบ้างก็ไม่เป็นไรกินไปกินไปนี่บอกว่าสุขภาพดีถ่ายคล่องนะโรมะเร็งก็ห่างไกลเดี๋ยวนี้เราสบายมากนะไม่กินผักก็ได้กินแต่น้ำตาลนะกินน้ำหวานน้ำอารมณ์สบายง่ายโรคภัยก็ถามหานะคนเราต้องเจอความยากลำบากบ้าง เราถึงจะเราถึงจะเข้มแข็งทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจเวลาอยากได้อะไรไม่ได้อย่างที่ต้องการเนี่ยมีประโยชน์นะผิดหวังบ้างก็ดีคนเราต้องรู้จักผิดหวังบ้างนะพ่อแม่ที่ดีเนี่ยจะไม่ตามใจลูกนะลูกอยากได้อะไรมาขอพ่อก็ไม่ให้ทันที ในประเทศอเมริกานี่เศรษฐีนี่เขาไม่ตามใจลูกนะมีเศรษฐีที่ร่ำรวยอันดับต้นๆของโลกชื่อวอล์เลนบุฟเฟต์เนี่ยรวยมากนะหลายแสนมีเงินหลายแสนล้านลูกมาขอยืมเงินพ่อแม่ลูกมาขอยืมเงินเงินยืมพ่อจะไปทำธุรกิจพ่อไม่ให้ยืมนะบอกให้ไปยืมไปกู้จากธนาคารลูกโกรธมากเลยนะ พ่อรวยแต่ว่างกที่จริงพ่อไม่ได้งกนะแต่ว่าต้องการให้ลูกเนี่ยได้รู้จักพึ่งตัวเองลูกอยากจะทําเป็นเกษตรกรนะพ่อรวยนะแต่ลูกอยากจะเป็นชาวนาเอออันนี้ก็เข้าท่านะมาขอเงินซื้อที่ให้พ่อมาขอเงินซื้อที่พ่อขอเงินพ่อเนี่ยซื้อที่นะจะไปทําไร่ทํานาพ่อไม่ให้นะแต่พ่อใช้วิธีพ่อเนี่ยไปซื้อที่มาเองนะ แล้วให้ลูกเช่าที่เข้าใจมามลูกจะซื้อของของเงินพ่อเนี่ยไปซื้อที่พ่อไม่ให้แต่พ่อเนี่ยช่วยลูกด้วยการไปซื้อที่แล้วก็ให้ลูกเนี่ยไปเช่าที่จ่ายเงินพ่อเป็นการสึกให้ลูกเนี่ยรู้จักพึ่งตัวเองเพราะว่าถ้ารู้จักพึ่งตัวเองเนี่ยลูกก็จะเข้มแข็งแต่เดี๋ยวนี้นี่ ล, ลูกสมัยนี้ในเมืองไทยสบายนะอยากได้อะไรก็แค่แบมือเดี๋ยวพ่อก็ให้เดี๋ยวแม่ก็ให้เด็กไม่รู้ไม่รู้จักความผิดหวังนะพอเด็กไม่รู้จักความผิดหวังใช่ไหก็ไม่มีพมิคุ้มกันความผิดหวังพอผิดหวังบางเรื่องเนี่ยนะเสียสูเลยนะมีแตคนหนึ่งเนี่ยเป็นมัธยมนักเรียนมัธยมเนี่ยชีวิตนี้ราบรื่นตลอดสบาย อยากได้อะไรก็ได้สมหวังแล้ววันหนึ่งเนี่ยก็ไปรักผู้หญิงคนหนึ่งเป็นรักในวัยเรียนก็เรียกว่าทุ่มเทมากกับความรักจนกระทั่งการเรียนย่ำแย่พ่อแม่ก็เลยบอกให้ลูกเนี่ยพ่อแม่ก็เลยบอกให้ลูกเลิกลูกก็ไม่ยอมเลิกตอนหลังฝ่ายหญิงก็เลิกเองพอฝ่ายหญิงก็รู้ว่า ลังในวัยเรียนี้มีปัญหาฝ่ายผู้ชายเนี่ยพอรู้ว่าผู้หญิงเลิกตีตีจากนี่โอ๊ยเสียสูเลยนะผิดหวังมากโกรธแท้นไม่รู้ทำยังไงนะคว้าปืนมาไล่ ย, ยิงผู้หญิงผู้หญิงหนีก็ไปยิงพ่อยิงลุงของผู้หญิงตายเป็นข่าวเมื่อสึกาปีที่แล้วคนก็สงสัยทําไมเด็กอายุไม่เท่าไหร่ถึงฆ่ากันขนาดนี้ ทีแรกต้องเป็นเด็กเกเรที่จริงไม่เกเลยนะพ่อแม่ก็เลี้ยงดูดีให้ความอบอุน่นให้ทุกอย่างไอ้ ก, ก็เพราะให้ทุกอย่างนั่นแหละมันเป็นปัญหาเพราะเด็กพอได้ทุกอย่างเด็กก็เลยไม่รู้จักความผิดหวังเพราะไม่รู้จักความผิดหวังพอผิดหวังเรื่องความรักนี่บ้าเลยนะนะไปยิงไปฆ่าแฟนพยายามฆ่าแฟนฆ่าไม่ได้ก็ไปฆ่าลุงของแฟนแทน อันนี้เพราะว่าไม่มีภูมิคุ้มกันความผิดหวังจิตใจเนี่ยอ่อนแอตัวใหญ่แต่ใจอ่อนแอนี่มีเยอะนะเพราะว่าไม่ค่อยรู้จักความยากลำบากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเรานี่ที่เราได้อะไรแล้วก็ไม่ค่อยได้นะไม่สมหวังเจอความไม่สมไม่สมหวังบ่อยๆนี่ถือว่าเราโชคดีนะเพราะว่าเราจะมีภูมิคุ้มกันความผิดหวังความไม่สมหวัง มันทําให้เราไม่ท้อแท้นะไอคนที่สมหวังทุกเรื่องนี่อันตรายนะชีวิตอยู่ในความอันตรายเพราะว่าชีวิตเราเนี่ยมันก็ต้องเจอความไม่สมหวังบ้างแต่ถ้าไม่สมหวังตอนโตนี่อาจจะอาจจะเป็นบ้าไปได้หรือเสียศูนย์ได้เพราะไม่มีภูมิคุ้มกันนะความผิดหวังอัอกหักบ่อยๆก็ดีนะมันจะได้มีภูมิคุ้ม ก, กันความอกหักนะ เด็กๆอะนะอ่าแต่เด็กเรียนดีนะเด็กเรียนดีเนี่ยเรียนเก่งเนี่ยนะไม่ใช่ว่าเป็นของดีเสมอไปนะเด็กที่เรียนได้สี่ตลอดตลอดเนี่ยบางคนนี่ตอนอยู่โรงเรียนสอบได้สี่ตลอดนะจนกระทั่งถึงมสามพอมสี่ก็ย้ายโรงเรียนเพราะว่าโรงเรียน มีแค่มสามต้องไปย้ายเข้าโรงเรียนใหม่ต้องไปสอบเข้าสอบไม่ได้โอ้ยกุ้มหักุ้มใจร้องผมร้องไห้จะตายให้ได้นะเพราะว่าตัวเองเนี่ยสอบได้ที่หนึ่งมาตลอดแต่สอบเข้าโรงเรียนใหม่สอบไม่ได้เพราะว่าโรงเรียนนั้นเนี่ยมันมีคนเก่งเยอะเข้าไปสอบตัวเองเนี่ยเป็นที่หนึ่งในโรงเรียนประจำจังหวัดแต่ว่าจะไปสอบเข้าเตรียมบุรมสวนกุหลาบนี่ โอ้พวกนี้มันโรงเรียนระดับหนึ่งของประเทศสอบไม่ได้เสียใจจะฆ่าตัวตายก็มีหรือสอบได้แต่พอไปเรียนแล้วเนี่ยตัวเองเนี่ยได้อันดับต่ำๆเคยเป็นที่หนึ่งในจังหวัดนะแต่พอมาเข้าโรงเรียนเหล่านี้ตัวเองเนี่เป็นที่โลเนี่ยเสียใจผิดหวังมากท้อแท้นะมีนักเรียนบางคนนะได้ที่หนึ่งนะชิงทุนหนึ่งสมัยทักษินเนี่ย ได้ทุนก็เรียกว่าทุนหนึ่งหนึ่งทุนหนึ่งจังหวัดได้ไปเรียนถึงเยอรมันนะโอ้โได้เป็นที่หนึ่งของจังหวัดนี่ได้ไปเรียนถึงเยอรมันแต่พอไปเยอรมันแล้วพ่อเขว่าเรียนได้ไม่ดีเพราะว่าภาษามันยากภาษามันยากภาษาเยอรมันขอกลับบ้านแม่ไม่ให้กลับทำยังไงกุ้มใจมาก ค่าตัวตายเลยโดดตึกมาตายนะเป็นข่าวเมื่อสิบปีที่แล้วเด็กที่เรียนเก่งแต่ว่าพอไม่สมหวังมีปัญหาการเรียนแค่ครั้งเดียวนี่คิดสั้นเลยแล่มีพ่อบางคนนะลูกเรียนเก่งมากก็เลยอยากจะให้ลูกเนี่ยเรียนสอบได้ที่โหลบ้างสอบได้ไม่ดีบ้างเพราะว่าเด็กลูกลูกของตัวเองได้มีมีภูมิคุ้มกัน พูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าให้เรียนแย่ๆนะเดี๋ยวบางคนบอกโอ้อยังงี้เราต่อไปเราเรียนแย่ๆดีกว่าเรียนตกเยอะๆดีกว่าอันนี้ก็แย่เหมือนกันนะอันนี้ก็สบายไปอีกแบบนึ่งนะอันตรายเหมือนกันขี้ความขี้เกียรนี่ก็เป็นอันตรายนะความขี้เกียรนี่มันก็เป็นความรักสบายแบบหนึง่งและอะไรที่มันสบายเนี่ยมันมีโทษเสมองั้นถ้าเรารักตัวเองนี่เราก็ต้อง ยอมรับความยากลำบากบ้างต้องเดินเข้าหาความยากลำบากบ้างต้องยอมเหนื่อยบ้างออกกำลังกายเป็นประจำขยันเรียนอยู่เสมอตั้งใจเรียนนะยอมเหนื่อยวันนี้มันจะได้สบายวันหน้าในเรื่เรียนเนี่ยน ะ, ะสา ม, มัญเดชหรือสืลใจเรียนี้ก็ตามนะเวลาเราเจอความยากลำบากนี่เราจะไปเสียอกเสียใจนะ อย่าไปเอะอะโวยวายให้เรารู้ว่าเรากาลังเจอของดีแล้วนะส่วนเวลาเวลาผิดหวังเวลาไม่สมหวังก็อย่าไปเสียใจเพราะว่ามันกำลังทําให้เราเข้มแข็งถ้ า, าว่าเราได้ทุกอย่างที่เราต้องการเนี่ยเราจะกลายเป็นคนอ่อนแอนะชีวิตที่สบายเกินไปนะเป็นชีวิตที่เสี่ยงนะเราก็ลองถามตัวเองว่าเราชีวิตเราสบายเกินไปหรือเปล่านะ ถ้าสบายเกินไปเนี่ยต่อไปมันก็คงเหมือนกับสัตว์เนี่ยในกาะกะละปะกอสนะมันไม่เคยเจอคนเลยนะคือมันไม่เคยเจอความลำบากเมื่อคนที่ไม่เคยเจอความลำบากพอเจอความลำบากปุ๊บเดียวนี่เสร็จเลยเพียงแต่บางครั้งความลำบากเนี่ยมันมาในรูปของที่เราคาดไม่ถึงอ่าเพราะฉะนั้นนี่ก็ให้เรานะได้อ่าอย่าอย่าสแสวงหาความสบายมากเกินไปนะ ยอมลำบากบ้างนะ <c oughs> เหมือนกับที่เราตอนเด็กๆ เ, เราก็ยอมยอมยอมโดนฉีดยาบ้างนะ <c oughs> เพราะฉีดยามันจะทำให้เรามีร่างกายเข้มแข็งเอาละก็ได้เวลาที่พวกเราเตรียมจ ะ, ะไปดูนกแล้วก็คงยุติเท่านี้แหล ะ, อะ <c oughs> เอากรบพาะพร้อมกัน